นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัมมัสังฆังนะมัสสอิโตปารังเกเกจังธรมโมโสตโปตีขอญาตโยมทุกคนอาพุทธวิจัตทั้งหลายทั้งสัิจสุสามนุน และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานพิธีวันนี้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งอาตมาได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายมีท่านพระครูเจ้าคณ ะ, ะอำเภอเป็นประธานดังนั้นการมาที่นี่ มีประโยชน์เพื่อประโยชน์ต้นและประโยชน์บุโกลดินเสมอไปอสถานที่นี้อาตมาก็ได้พยายามมาบ่อยครั้งเพราะว่าสถานที่นี้มาแล้วสบายใจทําไมไมันถึงสบายใจสบายใจเพราะว่า มีครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่นี้มีท่านเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นมีความเห็นพร้อมเพียงในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเมื่อมาที่นี่ก็สบายใจจะพูดอะไรก็ง่ายจะพูดอะไรก็ไม่ต้องจริงใจ เพราะว่า น, น้มจิตใจมาในเส้นทางอันเดียวกันแล้วถึงแม้วัดท่านปะครูท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติจิตคณะสงฆ์โดยเฉพาะก็จริงแต่ว่ายังมีผลสะท้อนมาถึงผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าด้วยในความสะดวกสบายดังนั้นอาตมาถึงว่า ม, มาที่นี่แล้วมันสบายใจ มันสบายใจคือมันรู้เรื่องอะไรกันได้หลายอย่างไม่มีอะไรอันนี้เฉพาะที่นี่ที่อื่นนั้นลำบากที่อื่นยังลำบากเพราะว่าพุทธบริษัทเราทาั้งหลายนั้นทั้งพระหรือเนรหรืออุบาสกอุบาสิกาพอเพียงแต่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทแต่ยังไม่ยอมรับความจริง ซึ่งซึ่งพวกเราทั้งหลายหันหน้าสมากราบพระไหว้พระบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็จริงแต่ยังไม่ยอมรับความจริงในด้านพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมากถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ก็เป็นไทย์่เป็นไทยต่อผู้ประกาศพุทธศาสนานี้ฉะนั้นที่นี่ไม่มีอะไร แม้ถึงท่านพระครูท่านก็มีโอกาสก็ไปเยี่ยมวัดประพงบ่อยใอ้พูดอะไรกันได้อย่างแต่พะท่านยอมรับจึงเป็นที่สบายใจมากสถานที่นี้ที่เรามาตั้งอยู่ที่นี่ก็เพราะท่านอืมก็เพราะท่านเป็นประมุข ป, ประธานองค์หนึ่งเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้ก็จึงขออนรุญาตญาตโยมทั้งหลายจะขอพูดไปตามความจริง<ม>เทศไปตามความรู้สึกเทศไปตามความรู้สึกเพราะว่าในเวลานี้ก็สุขภาพอาจจะมาปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทุกขภาพไม่พอดีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันขาดไปทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็พอที่เราอยู่ได้กต่มันก็เรียกว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้สังขารมันเป็นอย่างนั้นเบื่อมาเรียนเรียนเรียนรู้ว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งมีความสบายมันจะเก็บมันจะไข่มันจะเป็นอะไรต่างๆไปก็มีความเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมัน ก็มีความสบายภายในจิตของเจ้าของอยู่เสมอฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในทางพุทธศาสนานี้โดยมากพวกพุทธบริษัทเราทั้งหลายนั้นยังไม่ยอมรับกันคือยังไม่เห็นทั้งทางเราเป็นอยู่เราก็ยังไม่เห็นอยู่เช่นท่านพูดว่าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ํา อันนี้มันก็จริงเหมือนกันใส่เดือนมันอยู่ในแผ่นดินมันไม่เห็นทีดินอันนี้ก็มันกันชันนั้นอันนี้ทั้งเรากราบทั้งเราไหว้ทั้งเราศาสตรพยาธยธรรมะองค์สมบด็จพประสมารสระจำพรเจ้าของเรานั้นก็ยังไม่ยอมรับธรรมะของท่านไว้ในใจอันนี้เป็นความจริงไอ้ธรรมะ เมื่อเราฟังแล้วนะไม่ใช่ว่ามันรู้ทีเดียวนะไม่ใช่มันรู้ทีเดียวเปรียบไปฟังง่ายๆธรรมนี้เหมือนกันกันกบผลไามว า, างอย่างซึ่งเราไปบ้านญาติบ้านเพื่อนมิตรเนี่เขาเอาผลไามา้ฝากเราเอาผลไม้ฝาก เราก็เพิ่งหยิบเอาผลไม้ไปในมือของเรานั้นเนะี่เท่านั้นนหละไม่ใช่ว่ามันรู้เปรี้ยวรู้หวานรู้ฝาดรู้อะไรต่างๆไม่รู้ว่าแต่ว่าจับผลไม้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้รสของผลไม้ก่อนที่จะรู้รสของผลไม้นะั้นจะต้องเอาผลไม้นะั้นมาทาน มากินมาขบมาเคี่ยวตึงจะรู้ว่ามันเปรี้ยวมันหวานมันมีรสชาติต่างๆตามสัญญาของเราธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นทุกอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านให้เอาตนเป็นพยานของตนไม่ต้องเอาคนอื่นเป็นพยานเรื่องคน้นคนอื่นนั่นาการศิลในยากลำบาก พราะเรื่องของคนอื่นถ้าเรื่องของเราแล้วเนะี่ยมันง่ายที่สุดเลยตัดสินเรียกนี้ก็ได้ก็เพราะความจริงมันอยู่กับเราเพราะมีเราเป็นกยจญาณธรรมานี้ก็เหมือนกันแข็นั้นเมื่อเราฟังแล้วจะต้องเอามาภาวนาให้มันเป็นศาสนาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวสศาสนา ปริยัติก็คือการเรียนรู้ปฏิบัติรู้แล้วมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วเกิดความรู้ขึ้นมามตามความเป็นจริงอันนี้กามันกันฉันนั้นมันเราไร่ผลไม้มาจากเพื่อนจากญาติด้วยมือตนเองได้มาแล้วก็ยังไม่รู้รสมันว่นมามันเปรี้ยวหวา น, วานฉันนั้นตรงมันกัน การฟังธรรมะนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราฟังเฉยๆก็รู้ด้วยสัญญาของเราอืมรู้ด้วยสัญญาของเรายังไม่รู้ตามความจริงฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายนั้นผู้ยอมรับธรรมะคาสั่งสอนของพระ พ, พุทธเจ้านั้นอืมโดยมากก็ไปพูดเกี่ย ว, ว่า ตามสัญญาให้กันฟังไม่พูดความจริยใจให้ฟังฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะไม่สอดส่องถึงธรรมะรู้ธรรมะเรียนธรรมะและปฏิบัติธรรมะแต่ก็เห็นธรรมะทั้งสามสี่อย่างนี้ยังไม่บริสุทธ ถ้ามีคุณสมบัติสามสี่อย่างกล่าวมา น, นี้จะต้องให้เป็นธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมพูดได้ก็ดีเรียนได้ก็ดีรู้ได้ก็ดีปฏิบัติได้ก็ดีแต่ว่าใจไม่เป็นธรรมใจไม่เป็นธรรมแต่พูดเป็นธรม ร, มนธรมก็ได้ทำเป็นธรรมก็ได้แต่ใจไม่เห็นไม่เป็นธรรม นี่ก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบตามทางพุทธศาสนาอัตามาเคยได้ผ่านมาหลายอย่างเรื่องปฏิบัตินั้นเช่นว่าอุบาสกอุบาสิกาเรานั้นส อ, อนธรรมะให้สอนศีลหัวง่ายสอนศีลห้า ปานาอธินาการ ม, มีมุสาสุระท่านไม่ค่อยยอมรับกันกลัวเราให้ศินเนี่ยมาขอกับเราอีกขอก่อนเถิดขอก่อนเถิดข อ, อด้วยอาจะมากกว่ามนึกเอ๊ยไอ้มันกลัวเราจะดีที่นัะ่ะกลัวเราจะได้ของดีที่นี่ก็เรียกว่าเรายังไม่เห็นความจริงไอความเป็นจริงนี่ยนะมันโทษมันทางนั้นนะไอศินทั้งห้าประการนั่น ที่เราให้ไปแล้วก็ยังบอกไปยังขออีกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องขอให้นานๆขอเอาความชั่วไว้ขอเอาความผิดไว้ขอเอาอะไรความยุ่งยากไว้หลายอย่างซึ่งเราทั้งหลายยังไม่รู้ความจริงของศีลอัตมาเคยได้พบลูกศิษย์ทางชาวตะวันตก ที่เขาไปเข้ามาเขาเคยมาถามหลวงพ่อว่าทำไมคนเมืองไทยเนี่ยเป็นพุทธบริษัททุกคนทำไมเขาจึงกินเนื้อกันอยู่เขาถามโดยมากเขาไอ้ไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อกินปลากัน โดยมากเป็นโยมผู้หญิงฝรั่งมาถามด้ว ย, อ, ยอัตมาว่าไม่รู้เรื่องไปถามเขาโนนเดอดีกว่าคือปัญหานี่มันมันหนักแต่แล้วเขาจะไม่ให้กินเนื้ อ, น, อนู่นนี่แต่เราฟักันว่าเนื้อนี่มันเป็นโทษสัตว์นี่มันเป็นโทษห้ามกัน่างๆไม่ได้ยินนหอันนี้คือชาวตะวันตกชอบเป็นอย่างนี้โดยมากเขาชอบฉันเจกันหรือไม่เจก็ก็เรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์กัน ไม่ฉันเนื้อสัตว์กันโดยมากเป็นอย่างนั้นที่นี่เมื่อเข้ามาถึงเมืองไทยเราอืเห็นพระเห็นเนนเห็นพุทธบริษัททั้งหายทั้งพวงทัมัวสูงวิญญาณสิ่งทั้งหลายเห ล, าล่านี้เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นออาตมาก็เลยแก้อาหารน่ะแก้ปัญหานี่เป็นฟงางๆไปโยมอมืเอาขนาดนั้นเถอะเด้อ คนอื่นฆ่าแล้วกินก็นไม่ได้เรอรองเท้าของโยมนี่ใส่มาทําไมหนอนหนังสัตว์นี่ฝักมีดเนี่ยเนี่ยจะรับมีดกันอืมนะกระเป๋าสตางนี่ยเนี่ยหนังสัตว์ทางนั้นแหละจะมาก็แก้เกลือกปนไปทางนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไร น, นี่ก็ะส่งเสือมีเขาทําเหมือนกันไอความไปริงกระบอกมาทางวะ ประเทศไทยเมืองไทยนี่ก็ทํากันมาอย่อยางนีนานแล้วอันนี้ให้พูดเป็นส่วนบุคคลจะดีกว่าแต่เราเห็นโทษเราก็เลิกมันก็ดีกว่าอันนี้จะไม่มีภาระอะไรมากอืมมันจะน้อยลงเราไม่ต้องยุ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้พูดให้ฟังอ่ะให้เราไปพิจารณาดูอทางชาวตะวันตกถ้าเขาถึงพระ เขาก็ไม่มีวันพระแต่เข้ามาวัดทุกวันตอนนั่งกรรมฐานกรรมาทุกวันแต่เขาไม่มีวันพระเราหกวันหกวันเจ็ดวันมีวันพระนี่ก็ว่าดีแล้วเขาไม่มีวันพระแต่เขามากันทุกวันนั่งกรรมฐานก็ไม่ได้พูดถึงเล่าเรื่องศีลอะไรต่างๆมานั่งกรรมฐานกันเลยเนี่ย อันนี้มันไปกันซ่อย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นอัตมาเห็นว่ามันพูดกันไปไปมามาย่ายีกันอยู่นั่นเนี่ยมันเร่หลวงทางจ้ะจะเอาจริงก็ไม่เอาจะเอาจังก็ไม่เอาก็อยู่กันอย่างนั้นนี่มันก็เลยเป็นของละบากอยู่ฉะนั้นฝ่ายพระภิกษุสามเณรพวกเราทั้งหลายนีตัวมันตัดถ้าพูดเนี่ยมันขัดนะมันขัดใจคน ก็เพราะว่าธรรมะคาสอนพระพุทธเจ้านี่ทําให้คนตายให้พระเกิดขึ้นมาถ้าคนไม่ตายพระไม่เกิดทําความผิดให้หมดไป้ความไม่ผิดเึงจะเกิดขึ้นมาพูดกันง่ายๆคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันทําคนให้ตายให้พระเกิดขึ้นมา ทำความผิดให้มันหมดไอ้ความถูกมันจะเกิดขึ้นมาทำความชั่วให้มันหมดไอ้ความดีมันจะเกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหลายที่พูดมานี้เราจะดูดูการงานของเราก็แล้วกันอนะอย่างบ้านเรานะั่นน่ะมันส ก, กปรกมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมไปต้องดูไกลแล้วถ้าเราเอาไม่กวาดมากวาดแล้วก็เช็ดส ก, กปรกออกมันก็สะอาดนะี่ ทำไมไมันถึงสะอาดแล้วเพราะความสุกโปรงมันหายไปบ้านเราก็สะอาดนี่ธรรมะง่ายง่ายอไอ้ความผิดทั้งหลายไม่หมดไอ้ความถูกมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อืมมันเป็นเรื่องของง่ายง่ายแต่ว่าถ้าหากว่าเราเมตภาวานานไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกัน โดยมากก็ยังชาวพุทธเราทุกวันนี้ตามวัดวังอารามตามบ้านตามช่องของเรานั่นนะอัตามาเคยเคยดูไปนั่นไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรถ้าเข้าไปทำบุญทำทานในวัดดื่มเหล้ากันกินเหล้ากันเดกองกันพ้อนอะไรอะไรวุร่นวายโดยถือเป็นของเล่นไม่รู้เรื่องว่าอันบาปที่ไหนบุญที่ไหนความสงบที่ไหนความวุ่นวายที่ไหน เมื่อมาถึงบัดนี้ที่ทำกันมานานแล้วมีผู้มาห้าม mm. ก็โกรธให้ก็โรธโดยบากรรมถา น, เ, นเคยพูดมากแต่ว่าคนโรธกรรมฐานนี่คือท่านพูดไปตรงๆไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะสงสารที่สุด่ะเพราะว่าพระเนนนี่ตัวอาตมาเองเ น, น่ะ เมื่อบวชในพุทธศาสนาเล็กก็หาพยายามหาบิธีที่จะป้องกันแนะนำธรรมสอนญาติโยมเพราะทำไมประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นให้สมบูรณ์ถ้าพุทธเจ้าตรัสอสอนอย่างนั้นเพราะว่าอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาศัยญาติโย ม, มที่อยู่ที่อาศัยการโขกการฉันทุกประเภทจะต้องอาศัยญาติโยมเมื่ออาศัยญาติโยม จะต้องสงเคราะห์ญาติโยมในทางที่มันถูกไอความถูกความผิดนี่อย่ามาเห็นกันท่านเนี่ยไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องการขัดไปได้อย่างอือันนี้ตั้งแต่ครั้งท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นสมเด็จมหาวีระวงศ์ให้ออกประกาศศาสนาเข้าบ้านไหนนั่นแตกบ้านนั่นเนี่ยสมเด็จ ท่านสมเด็จฟังเ อ, อท่านมั่นท่านเส้าเนี่ยให้ไปสั่งสอนญาติโยมให้กลมเกลียวกันทําไมกข้ไปบ้านไหนแตกบ้านนั่นเลยเนะี่ยท่านโคตรตามความจริงบางทีผัวเข้าวัดเมียไม่เข้าเมียเข้าผัวไม่เข้าพ่อแม่เข้าลูกไม่เข้าลูกเข้าพ่อแม่ไม่เข้าทําไมไมันจึงเป็นอย่างนั้นท่านสมเด็จมหาวิทยาลัยวงองค์กรเนี่ย ก็ให้โทษท่านอาจารย์เสาอาจารย์มันว่ามันไปพูดอะไรมันไปทำยังไงให้ไปให้สั่งสอนประชาชนเน้่มันกงเปรียวกันเข้าบ้านไหนแยกกันบางทีหัวมีแยกกันที่น้องแยกกันอะไรมันแยกกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้ท่านยังไม่เข้าใจท่านเจ้าุณสมเดจองก่อนยังไม่เข้าใจ ไอความเป็นจริงธรรมะมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีอำนาจธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอำนาจมากถ้าทาคนเปลี่ยนจิตใจไม่ได้มันก็ไม่ใช่ธรรมะที่มีอำนาจทาปุถุชนสามัญชนให้เป็นอริยชนก็เพราะธรรมะเห็นธรรมะ ม, มันถึงมีอำนาจ คนมีความเห็นผิดได้ฟังท้ำแล้วมีความเห็นถูกขึ้นมามันเปลี่ยนอย่างนั้นธรร ม, มะมันต้องเป็นอย่างนั้นที่นี่ท่านสมเด็จท่านว่าเข้าไปตรงไหนก็ต้องแถวกลมเกลียวกันพี่น้องกลมเกลียวกันพ่อแม่กลมเกลียวกั น, นลูกหลานกลมเกลียวกันทั้งนั้นอย่างนั้นไอความเห็นท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อพูดถึงธรร ม, มะ มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ีหยจิตมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยคนหนึ่งหยาบคนหนึ่งละเอียดเมื่อไปพูดถึงธรรมะแหละคนหนึ่งก็เห็นธรรมะคนหนึ่งไม่เห็นเห็นเป็นเพี้เป็นไฟอืงฉะนั้นการวุ่วายถึงเกิดขึ้นมาตลอดทุกวันนี้อาจารมาก็เคยประชิญมาหลายแล้วเดิงไปตั้งวัดป่าที่ไหนที่ไหนก็ดีครั้งแรกต้องทะเลาะกันบ้านเจ้าของยังทะเลาะกันเลยไม่ใช่ก็คือ พ่อแม่จะของก็ยังทะเลาะกันไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อพูดขึ้นธรรมะขึ้นน่ะมันตัดขึ้นมาใช่ไหมจังเนี่ยฉะนั้นอาตมาถึงเป็นห่วงูุสิตูกหาไปที่ไหนที่ไหนแต่เป็นห่วงมากเพราะว่าคนยังไม่รู้นะคนยังไม่รู้มันมันเอาจริงๆนะ่ะไม่รู้คนไม่รู้จะทำไงความไม่รู้แล้วมันเอาเหมือนกันกับคนอืม คนเรานะ่สมัยโบราณการชอบจะเป็นอย่างนี้ชอบพื้ผีกันตามบ้านนอกเรานะ่ะถ้ามีอีกสักคนหนึ่งนะไปทํานาก็รวยหาเงินก็รวยเลี้ยงสัตว์ก็รวยแกก็ขยนันถ้ามันรวยขึ้นรวยขึ้ น, นแปลกประหลาดซะแล้วมันต่างคนในบ้านนั่นเนี่ยก็อมองไปในแง่ผิด อีตาแกคนนี้เห็นจะมีของทำนาจะมั้งี่เห็นจะมีมนทำไร่จะมัง้งเห็นจะมีมนเลี้ยงสัตว์จะมัง้งเท่าเนี้ยมันแปลเขาเนี่มันรวยของเขาเนี่ ย, น, ยนักก็ไม่ดูความขยันเขาไม่รู้ความเพียรเา้าเห็นแต่ความร่ำรวยเขาเกิดขึ้นมากดูพอเธอทำอย่างเงี้มันเป็นปอบละเด็กคนหนึ่งได้ยินว่าเป็นปอบเลยปอบสองคนปอบทั้งนั้นปอบทั้งนั้นเลยเป็นปอบมา ไอคนนึงว่ามันจะเป็นปอบหรอกไอ้คนที่สองมัปอบเลยเลยตั้งกันเป็นปอบตั้งกันเป็นปอบมันก็เป็นนี่เนี่ยอืออืมตั้งเป็นตุยยบ้านมันก็ยังเป็นอยู่บ่ตั้งเป็นกำนันก็ยังเป็นบ่ตั้งเป็นประหลาดก็ยังเป็นอยู่เนี่ยตั้งให้กันเป็นปอบมันก็เป็นเนี่ยนั้นแหละทำไมมันไม่เป็นเน่ะคนนี้ก็ปอบคนนั้นก็ปอบโลยสร้างบ้านทร้างเมืองก็เป็นปอบขึ้นมาท่านนี่ข้ากันแย่งกันสารพัดอย่าง นี่มันเกิดมาอย่างนี้เพราะเราไม่ดูเรื่องมันเป็นอย่างนั้นการสมมุตินี่แหละมันเป็นน่ะสมมุติขึ้นเป็นเลยสมมุติให้เป็นอะไรก็เป็นขึ้นเดียวนั้นเนี่ยมันเป็นขึ้นเย่ยวนั้นให้เป็นผีเป็นปอขึ้นมันก็เป็นเดียวนั้นการสมมุตินี่มันเป็นขึ้นมาอย่างเราน่ะเกิดขึ้นมาไม่มีชื่อหรอเกิดขึ้นมาว่านายสีก็เป็นนายสีมาทุกๆวัน ไม่เลยเป็นนายมีหรอกถ้าผู้ญิงก็เดี๋ยวนางสามันก็เป็นนางสามาทุกวันนี้แหละเพสมมุตินี่มันไม่ได้เป็นนางโสมหรอกนี่มันเป็นมาอย่างนี้ถ้าเรามุ่งมั่นว่าให้ตั้งชื่อโดยสมมุติอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาอันนี้คือคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเป็นต้นหาต้นเหตุไม่มีมิจฉาเนินการฟังธรรมะเราจะต้องมาภาวนา ภาวนานั่นคือการมาพินิตฐ์มาพิจารณาแยกส่วนดอกให้มีเหตุผลให้เห็นเหตุผลมันตามความจริงให้มันแน่นอนให้จิตใจมันสงบแล้วครับในสมัยโบราณกาลมีบึงบ่อซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ๆคุ้ ม, มอยู่เราเกิดมาเป็นเด็ก เกิดมาที่หลังนะไปเห็นปลาไปเห็นเตา่าเห็นจระเข้อยู่ที่นั่นน่ยก็นึกว่าน้องนั่นนะมันเข็ดนะดูซาปลากฏกันไปก็บอกว่าถ้าหากว่าใครอยากจะดูเต่อยากจะดูเตา่าเอาหลอกไม้ไปเอาเทียนไปนะขอเจ้าที่เจ้าฐานนั่นนะ่ะ ืให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายแล้วนี่ขึ้นมาให้เห็นนี่อธิษฐานก็นั่งไว้นั่นแหละไม่หนีนั่งอยู่บนนะ่ะบนครูนั่นบนสะนั่นเจ้าระเจจะเคงใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมาเท่านั้นเองเตาใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานี่ยนั่นเจ้าที่จะฐ า, านนั่นนั่นท่านหเห็นแล้วเท่านี้แหละก็เชื่อกันไปทังบ้านทางเมืองเลย คนจะคิดเออมันใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานั่นแหละให้เราเห็นเนะ่ยไม่มีใครคิดอย่างนี้ผีทั้งนั้นอที่มันมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆอย่างนี้นี่คนเห็นไปอย่างนี้ใช่เลยมากมันก็ไม่เห็นความจริงมันจ้ะธรรมะนี่ก่อนวันการฉันฉนั้นแนะ่ะทุกวันนี้เราอยู่โดยธรรมะใจ ไ, ไหมอยู่โดยธรรมะ อ, อืเราอยู่โดยธรรมะกันธรรมะคือความที่ถูกต้อง พูดไง่ายๆว่าธรรมะคือความที่ถูกต้องเราอยู่ด้วยความถูกต้องกันมันถึงสบายถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจอยู่ยากอยู่ลําบากเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่อยู่ตามธรรมะเพราะไม่มีธรรมะในใจของเราทุกสิ่งทุกส่วนนั้นเนี่ยธรรมะเป็นที่พึ่งของเรา พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้พอเราพิจารณาธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะนั้นให้เราอยู่เย็นเปุดถ้าหากว่าเรามาเทศมาสอนกันคนที่ไม่รู้เรื่องจะยิ้มอย่างนอ้นให้มันกินธรรมเน่ยนะมันจะไปกินข้าวเลยอโดยพูดกระแทกแดกดันไปทั้งข้างทางั้งปูไปแคไอความเป็นจริงนั้น อท่านในพิจญณาธรรมะให้เห็นธรรมะอืมให้มันง่ายให้มันถูกให้มันต้องขึ้นเช่นว่าบ้านเราเนี่ยวัดเนี่ยนะมันวัดเนี่ยวัดนี้มันเป็นประชาระหลายบ้านที่นี่เมื่ออาจารย์ฤทธิ์มาอยู่ก็เลยมาคิดเอออันนี้มันบ้านพ่อเราบ้านแม่เราเว้ยบ้านญาติเราอืควรจะให้ปรับปรุง ให้มันสะดวกอะไรต่ออะไรต่างๆเช่นว่ามาสร้างเมนมกันเสียพยายามให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเอามารวมรวมกันามาเผาทีเดียวกันนี้มันจะได้เป็นมิตรกันมันจะได้เป็นญาติกันมันจะเป็นสามัคคีกันเผาที่นี่ก็ไม่ได้ต้องไปตัดต้นไม้อะไรต่างๆให้มันวุ่นวายต่อไปก็ทําสาราที่พักศพ ง, ง่ายๆขึ้น อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับคนบางคนมันก็เกิดปัญหาเกินมามนี่เช่นว่าแดนนาเราเป็นต้นพ่อแม่ทำให้คดๆง อ, งอเรี่ยวไปเรี่ยวมาวกไปบนมาเนี่ยมีตาแก่คนหนึ่งเ อ, อ้ยอย่าทำอย่าะเธอเพื่อนนะมันตัดให้มันตรงเธอนะไม่เอามันงออย่างเห้มันงออย่างงนะ่ะมันจะเป็นอะไรล่ะไปทามันทาไม อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นกันชั้นใดถ้าหากว่าไม่ใช่บ้านเราญาติเราพี่เราน้องเราอะไรเรานะนะจะมาทำทำไมนี่ทำเพื่อประโยชน์นะทำเพื่อประโยชน์ต้นทำเพื่อประโยชน์คนอื่นถึงท่านอาจารย์ดทธิ์ท่านมาทำสัพจายไปลูกหลานเราเกิดขึ้นมา จะได้ทำอย่างนี้จะมารวมๆที่เดียวกันทำบุญสุนทานที่เดียวกันมันก็สบายอืมไอ้พวกเรามันก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะไม่เคยทำมาไม่เคยทำอย่างนี้เคยหามไปโน่นเอาไข่โยนขึ้นถึงไยไม้นั่นโยนไปเหอะมันแตกตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละอืมต้นไม้ในป่ามันรกหนึ่งก็ไปตัดต้นไม้ทิ้งนะเอามันตรงนั้นแหละว่าอืมเขาจะอยู่ตรงที่อย่างนี้เป็นต้น อันนี้ประเพณีอันนี้แก้ยากแก้ลำบากเลือเกินให้ญาติรวมท้ายเอาไปพิ์พิจารณาถ้าว่าบ้านเราทุกบ้านทั้งห้าบ้านหกบ้านเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์รวมเมื่อตายมาแล้วจะได้มาเผากันที่ที่เผาศพ ก, ก็ให้สะอาดพระท่านนั่งก็ให้สะอาดทำอะไรก็ให้สะอาดมันก็ดีขึ้นประหยัดทุกสิ่งทุกประการทุกวันนี้ต่อไปบ้านเมืองของเรานะ่ยนต้นไม้มันจะน้อยที่มันจะคับแคบ อย่างนี้เป็นต้นเพราะญาติโยมไปหาเหตุไปหาโทดพระอะไรตรัวไร้วุ่นวายบินประมาณร้อยแปดกหกไร่เดี๋ยวนี้ทำกำแพงรอบฝนแล้วขนาดนี้จึงมีความสบายทุกวันนี้ข้าราชการในเมืองเสร็จงานแล้วกินข้าวแล้วเอารถเอาครอบเอาครัวนั่งไปโดดบรรพุกไว้ที่วัดประพง์ ไปอยู่สบายไปนั่งสบายไปดูกระแตไปดูกระรอกไปดูไก่ปา่าไปดูสารพัดอย่างเป็นเหตุหสบายใจเดี๋ยวนี้เราสบายใจเสแล้วเนี่ยอืนี่นะไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรให้ภาวนาให้ภาวนาให้มันดีเกิดมาถ้าเรามาพิจารณาธรรมะแล้วมันก็รู้เรื่องของมันทุกอย่างอาจจะนั่นการปรับปรุงบ้านเมืองของเรานันเนี่ะดีมากเช่นพระ พระนี่แหละตัวสํำคัญเหมือนกันเนี่มผู้มีมเจตนาเนียร์ให้ท่านพัฒนาช่วยท่านท่านไม่เอาอะไรอืมท่านไม่เอาอะไรกต่ญาติโยมทั้งหลาย่ะท่านตอนช้ามาท่านต็วิพยาบาทให้เข้าคนก้อนเนี่ยค้อนเ่ยท่านไม่หมดนะอ่ะเพราะท่านรักษาป่าไว้ก็เพื่อทูกคนในวงศ์ตูกหลานเพื่อประโยชน์สาธารณะทั่วไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอนะ่ะ แต่บาคนคิดผิดนะคิดไม่ค่อยดีคิดไม่ค่อยถูกอืมให้คิดลึกๆให้พิจารณาอาจจะมาเคยผ่านมาหนี่หลายบางที่ห้ามกินเหล้าซูดอยู่ในบ้านทถอะนะไมก่กรรมาฐานก็น ด, ดีปรนเด็นว่าไปยังสัน่นอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นการที่ท่านมาพัฒนาที่บ้านเมืองยังดีแล้วโยมนะทุกทุกคนในปีนาไปเถอะ ถ้าใครเห็นว่ามันผิดก็จงใัยเสิว่ามันผิดทั้งร้อยเปอร์เซ็นนะให้ดูๆไปก่อนว่าพระันทำยังไงท่านมีความหมายอย่างไรนะมันนานรู้จักนะอันนี้มันนานรู้จักไอความหมายนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่เชื่อคนก็ยอมมาและไม่เชื่อใจของยอมมาแล้วยังไม่เป็นธรรมะอืมนั่นมันเป็นขโมยในใจนี่เห็นว่าพระจะเป็นขโมย เรามากๆอยู่ในใจคนเราก็นึกว่าพระจะมักมากอะไรอะไรเนี้นต้องวัดตัวตัวจะของถึง น, นั้นไอความเป็นจริงนั้นอยู่ไปนานๆที่พิจารณานานๆถือดูเหตุผลดีๆที่อัตมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นในที่นี้จริงๆถวายที่นี่แก่ท่านพระครู ด, ดูแรียีจรารณาอืมให้มันสะดวกให้มันสบาย คุณบุตลูกหลานที่เขามาสู่ที่นี่ต่อไปเราจะได้พระที่ดีได้เนนที่ดีลูกหลานเราจะได้บวชที่นี่อถ้านานๆไปนะมันจะบวชไม่ได้เหมือนทางเชียงรายเห็นไหมเชียงรายเชียงคำมีควันไปจะต้องกินข้าวเย็นเพือยู่ได้ไม่ได้กินข้าวเย็นในบวชอาตมาอยากไปถามโยมทําไมจึงให้ฟ้ากินข้าวเย็นเนี่ยโอ้ห้กกินข้าวเย็นขนาดนี้ท่านก็ยังไม่อยากจะอยู่เลย นะมีพระกรรมฐานไปกินข้าวทีเดียวเท่านี้่ไม่ฝันแล้วว่าจะทําได้ะเนี่ยอถ้ามันค่อยไปทางต่ําๆนะ่ะมันเร็วเรื่อเกินเ่มันง่า ย, ายไม่ต้องไปสอนมันหรอกอะไรอะไรไม่ต้องไปสอนมันเลยบวชกินข้าวเย็นกันถึงจะอยู่กินกันเรื่อยได้หลายวัดกินกันเลยต่อไปนะ่ะอต่อไปนะ่ะไม่ได้กินข้าวเย็นมาอยู่หอกดูร้านนั่นคืบวชต้อกินข้าวเย็น ไม่มีพระอยู่ก็ต้องให้เขาเย็นให้พระให้ลูกให้หลานเรากินนี่นี่การให้เขาเย็นให้พระให้ลูกให้หลานนี่ไม่เห็นเป็นโทษไม่เห็นเป็นไัยเพราะมันพร้อมกันแล้วอันนี้เดียยวครังสอนของพระนั่นเสื่อมไปแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่เราก็สบายอะไรทุกอย่างมันจะเสื่อมไปก็ต้องเป็นอย่างนี้อ่อันนี้ขอญาติโยมเราทั้งหลายนั่นจึงตกันตั้งใจช่วยกันช่วยกันปฏิบัติ ถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายนั้นอยู่กันด้วยธรรมะนั้นก็จะสบายยิ่งกว่านี้ง่ายกว่านี้อีกสบายกว่านี้มีความสุขกว่านี้อีกอืมนะศีรีนะสุกติยันติศีรีนโะโพกสัมปทาศีรีนะนี่พูติยันติตัสมาศีรังมีสูทยีนี่อเอาทีมีศีลเป็นสุขไหมไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปบุญวายใครมันก็สบายเท่านั้นแหละ ทำไมไมันจะไม่เป็นสุกะอมืมันเป็นสุขทั้งนั้นแหละแต่เราไม่พิจารณาความจริงตามธรรมะฉะนั้นเราจะไปคิดเอาเฉยๆมันไม่ได้อันเนี้ยมันจะต้องไปภาวนาไปคิดพินิษพิจารณาให้ใจเรามันยอมรับอืเช่นว่าออ่คําที่รทซึ่งไปยิ่งกว่านี้เช่นว่า อ, อนิจจังทุกขังอนันตา อะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลูกพึบไปเลย <c oughs> ไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทําไมอนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีน่ะฟังไม่ถูกธรรมะมอทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราแ่ะมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไป ไ, ได้อะไรไม่มีไหม พี่บอกพี่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเรานันได้ไปรวยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ทิ้ง ก, เก็เกิดโรคเกดิโก ด, โก ด, โกดโกรธเกิดหดงขึ้นมาเถียงไอ้ออความเปจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรมไหมเคยได้ตัวเราไหม อำเภอแวงเรานี้อำเภอพุทองเรานีไหมเสสะฟูมเ่าหนีไหมตัวเราเคยได้ไหมของเราเคยได้ไหมโอ้ยมีพระท่านมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันสาธุเธหนามันท่านพูดถูกแล้วนะแต่เรายังไม่ถูกแต่ว่าเราเข้าใจว่าเราถูกนะอย่างพระอังคุรีมานโจรเนี่ยก็พระพุทธเจนะ้าเนี่ยแต่รองต่โคนว่าพระพุทธเจ้าเดินไปอยู่ยังไม่หยุด อไปหาว่าพุทธเจ้ามาหยุดบิ่งไปจะไปประหัรประหารท่านทําไมพระสมณะโกหกเนี่ยออืทําไมว่าหยุดแล้วอยู่เดี๋ยวทาไมถึงเดินไปอยู่ล่ะฉันโวกว่าถามว่าอย่างงั้นโยมฉันนี่หยุดแล้วคือหยุดการเหยียดเบียนสัตว์แล้วการเหยียดเบียนมนุษย์แล้วการเหบียดเบียนอะไรทั้งหลายทั้งหลายในสันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุด ไม่ใช่ว่าการเดินนี่หยุดจิตของข้าหยุดแล้วคําเท่านี้ภูมินิสัยพระอังคริมาโจรหยุดชนะเกิดออหยุดขนาดนี้เราก็ไม่รู้จักไวมันเห็นแต่มาเดินึบถือไปหยุดเขาเห็นมาหยุดจิตหยุดนั่นมันไม่เห็นไอความเป็นจริงนั่นไอที่มันหยุดในเรื่องจิตมันสําคัญมากเช่นว่าการเกิดตายเหล่านี้เนี่ยการเกิดตายอย่างการเกิดการตายนี่นนนนน เราทุกวันนี้มาเห็นการตายกันนะทุกวันนียเห็นแต่ว่าร่างกายีมันตายไปรวมหายใจไม่มีชื่อว่ามันตายคนทำผิดๆอยู่เดินไปเดินมาอยู่นี่คือคนตายเราไม่รู้จักไม่มีใครรู้แล้คนตายเดินไปก็ได้พูดก็ได้กินข้าวอยู่ก็ได้อะไรก็ได้ไม่เห็นคนตายเราเนี่ยไม่เห็นแต่ใจมันประมาทอยู่ไม่รู้สึกความผิดชอบอะไรต่างๆนั่นเหมือนกันกับสัตว์ ท่านนี่ว่าคนตายแล้วอัปมาโทมัจจุรูปะทังคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วเราหายใจอยู่แล้นึกว่าเราไม่ตายตายเยอะแยะไปแล้วตายจากคุณงามความดีอืตายจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ตายจากมนุษย์จิตอันนี้มันตายไอ้ความเกิดแก่เก็บตายนี่ไอ้ร่างกายเนี่ยแต่มาว่ามันยากหรอกมันจะทุกข์ยากมันทําไม พ่อแม่เลี้ยงมาเอาข้าวกับอาหารให้กินมามันอก็โตมาขนาดนี้อจะมาวันมันไม่ยากหรอกเกิดก็ตายมันนานเกิดแบบนี้ตายแบบนี้มันง่ายไอ้มันตายทุกวันทุกวั น, ว, น, ว, นวันนี้ตายกี่ผนไม่รู้เรื่องบางทีโกรธคนนั้นตายจากโกรธอันนี้โรคคนนั้นมันโกรธมันวุ่นมันวายนี่มันตายคณะนี้เอาอันนี้อมขณะนั้นทิ้งอันนั้นวุ่นวายวันหนึ่งตายกี่ผนไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องก่าการเกิดการตายของเรา แต่เราเห็นแต่ว่าไอ้คนนอนดับตาไม่มีรวมมันตายอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทางจิตคนเรามันมีกายกับจิตเท่านั้นแหละไอ้เรื่องจิตนี่มันเกิดมันตายมันถึงยากลําบากบางบันถึงร้องไห้เลยมันทุกข์มันยากมันลําบากไอ้ที่เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวมันไม่ยากหรอกมันง่ายง่ายไอ้ที่มันตายทุกวันทุกวันเห็นไหวันนี้มันเกิดวันนี้มันตาย สารพัดอย่างนี้เนี่ยมันทุกข์มันยากมันลาบากมันหลายภพหลายชาติก็เพราะเรื่องจิตใจนี่มันตายเรื่องกายมันไม่ยากหรอกมันง่ายงายมันนิดเดียวอืมนิดเดียวอืมเนีดเดยนนเรื่องผู้ใหญ่เรื่องเด็กอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรื่องคนแก่เรื่องคนหนุ่มนี่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเรามาเห็นอาผมหงอกแก่แล้วนะอืมอย่างนี้ ไอ้ความเป็นจริงไอ้เรื่องร่างกายนี่เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องมันโตมันเด็กคือเรื่องหัวใจของเราเรื่องจิตใจของเราใจมันใหญ่ใจมันสูงใจมันกล้าใจมันแข็งถ้าเอาจนหัวหงอกแม้ก็ยังเหมือนเด็กอยู่เยอะไปเห็นไหมโกรธง่ายงายเครียดง่ายงายนั่นแหละยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่โตหรอกเป็นยุชนคนไม่เห็น เห็นมาแต่เราแก่แล้วเท่าแล้วแก่แล้วมันร่างกายคนเรามีแต่ร่างกายดูใจไม่มีดเรื่องจิตนี้มันเป็นของสำคัญมากเป็นปรมัตรธรรมอดฉะนั้นเราควรรับฟังแล้วไปพิจารณาให้มันเห็นชัดอืมัะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าพุทธบริษัทเดานี้ยังไม่ยอมรับความจริงว่าอานิจังมันไม่เที่ยง ก็ยังไม่รับความจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ยังไม่ยอมรับอันนี้ไม่ใช่ของเราก็ยังไม่ยอมรับให้เป็นของเราให้เป็นตัวเราแท้ๆมันก็ไม่มีอะไรจะได้หมดไม่มีมันจริงแล้วนะ ม, มันจริงอยู่อย่างนั้น่า ะ, ะนั้นธรรมานี้เรานั่งทับมันอยู่นอนทับมันอยู่อะไรมันอยู่ทุกอย่างแล้วแต่เราไม่เห็นมันท่านจึงเปลี่ยบว่าปลาอยู่ในานา้าไม่เห็นนา้า อย่างนี้ใส่เดือนมันอยู่ในดินกินขี้ดินไม่เห็นดินไม่เห็นดินนะอันนี้มาถูกอาตมาอีกหละอาตมาเป็นเด็กๆนะไปพบคนแก่คนหนึ่งฟันดุดออกไปหมดจะแกไปกินข้าวอยู่เนั่นอาตมาเป็นหัวรอดไอ้คำ ข, ข้าวโตวๆใหญ่ยัดเข้าไป อัตมาคิดว่าฟันมันดูดใช่แล้วทำข้าวทำไมจริงไม่ทำเด็กเล็กทำไมทำโตๆอย่างนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักยังเข้าใจแตบคนแก่ในโรบโมโทสันมากเมื่อมาถึงอัตมาข้าวนั่นเมื่อสามสี่ห้าปีหลังกลับไปนั่นน่ะฟันอัตมาดูดออกหมดไม่มีฟันอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าวันเดี๋ยวไปกินข้าวดูนะ เออไอ้คำเข้าเดี๋เรียกมันได้ไม่ได้หรอกมันวิ่งอยู่นั่นคำไม่ทานคำไม่เห็นนะมันวิ่งทางโน้นทางนี้อยู่จำเป็นจะต้องเอาคำเข้าใหญ่ยัดเข้าไปมันเต็มมันถึงเคี่ยวได้เออเราก็เกือบจะตายแต่จริงรู้จักคนแก่คนนั้นบ่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความไม่รู้จักฉะนั้นแต่าปลาอยู่ในน้ํามันเห็นน้ำที่เซเรือนอยู่ในดินมันไม่รู้จักดินมันไม่เห็นดินจริงแต่เราเห็นคนแก่อยู่ แต่เราไม่รู้จักคนแก่ถ้าเราแก่แล้วฟัน ร, ระดูบอกว่าเดี๋จึงจะรู้ว่าคนแก่นี่มันเป็นสายอย่างนี้ทำไมมันถึงรู้อย่างนี้มันเป็นพยานที่ขีผู้โตเอาตนเองเป็นพยานของตน้นพยาน้างนอกด้วยพยาน้างในด้วยอจจตาธรรมะปะหิตาธรรมาทางภายในด้วยทางภายนอกด้วยที่มันเกิดเป็นมาเราจึงรู้จักฉะนั้นอาตมาจึงเชื่อแน่ว่า เราไม่แก่แล้วไม่รู้จักคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เมื่อเราแก่แล้วฟันมันดูดเราจึ่รู้จักคนแก่เนมันเป็นสายอย่างนั้นฉะนั้นบรรดาสาธาชนทั้งหลายนั้นให้พากันเปลี่ยนความคิดมันจะขาดทุนนะมันจะขาดทุนอ่ามีวัดน้องประโภคสมัยก่อนมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติทางแรกมีตาแก่คนนึงน่ะคนหลงหลายคนนั่นเนี่ย อมึงไปอือพวกมันไปวัดป่ามตายกูจไปอเวียมมันไปหมดไม่ถึงกี่เรือนเนี่ยตายด้วยทำอาเมียเราไปใช่ไมอืเจกกรเจกกรเนี่ยเล่านัน่นพระพุทธเจ้าในสท่านห้ามมันมันไป็นของเบียดเบียนศาสนาไปเราพา ก, กันไปจินใน้มันหมดตายก่อนเล่าไปหมดเดี๋ยวนี้เนี่ย ه, คือพูดไปเรื่อยไปไม่ดูเรื่องดูเราพ้นที่สุดจ่ายเล่าก็ยังไม่หมดนะว่าจะไปเอาเมียเขาก็าเอาเมียเราไปด้วยตายก่อนเขาหนีทำไงละ่ะนี่นพูดกันไปอย่างนี้เราไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหลายนั่นนี่มารับธรรมะนะมารับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายอมรับว่ามันจริงๆอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆร่แล้วนั่น เท่านั้นก็จะเข้าถึงสระพุทธเข้าถึงพระมเข้าถึงประสงฆ์เรื่องศีล น, นี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราพิจารณานานๆเราจะละมันนานๆาาาอัตมาไปพบคนแก่คนอายุแปดสิบกว่าปีเดินไม่ได้ยมยอมหยุดไปถอดแหรยังหยุดแล้วครับหยุดเพราะเหตุอะไรมีม่กลัวบาปไม่ใช่ไปทอดแหลไม่ได้เดินไม่ได้ นั่นถึงหยุดกันหยุดแบบนั้นนะ่ะเราจะหยุดกันยังไงเนี่นยนี่หยุดก็ต้องเห็นโทษมันว่าเอออันนี้มันเป็นงานอย่างอื่นนะไม่ค่อยดีเรามันแก่แล้วเราควรหยุดจะมันเป็นบาปเป็นกรรมถอยออกมาจั้งนั้นอันนั้นคนแก่คนนั้นหยุดไปทอดแห่เพราะอะไรเพราะอายุแปดสิบกว่าปี 80, ไปไม่ได้มันจะล้มตายก็องได้หยุดมันหยุดเพราะมันไปไม่ได้ อันหนึ่งยุดเพราะกลัวบาปกลัวความผิดมันต่างกันอย่างนั้นยุดเหมือนกันนะแต่มันต่างกันอันนี้ตัวมันกันชนนั้นถ้าเรายอมรับตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเรานะ่าจะเกิดปีนี้เกิดเดือนนี้เกิดในชาติอันนี้นี่ไม่ต้องชาติหน้าแล้วรู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้ของอันนี้พระพุทธเจ้าทรัสสอนว่าธรรมะนี่เห็นปัจจุบันนี้ เห็นนาลกในปัจจุบันนี้เห็นสวรรค์ในปัจจุบันนี้เห็นปานิพันในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตายเพื่ถึงเห็นหรอกไม่ต้องตายเพ่ถึงจะเห็นอตีตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปปนาธรรมานะเราทุกคนนั่งอยู่เดี่ยวนี้นะ่ะเอเราจะคุกทั้งผลจะคุกทั้งเหตุผลคืออะไรผลคือผลของอดีตที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ เหตุคืออะไรคือเหตุในปัจจุบันนี้จะเป็นไปอนาคตต่อไปทุกคนเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นจงประกันตระหนักในธรรมะพัะกการไปภาวนาแล้วก็ยอมรับไม่รับเฉยๆนี่จะต้องเห็นยอมรับฉะนั้นบรรดาสาวชนทางหลายนั้นไม่ค่อยจะแก้ตัวของตัวในชะไปมองดูอย่างอื่นมากไม่มองดูในตัวของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าแตะธรรมะอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่น แต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไห น, นไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงไม่ยอมรับนฉะนั้นวันนี้ขอญอาติโยมทั้งหลายทุกทุกคนนะให้รับไปพิจรารณาจะพึ่งว่ามันผิดหรือจะพึ่งว่ามันถูกเออเอาไปรับพิจรารณาให้ปัญญาเราเกิดถ้าอะไรเรารับพิจรารณาอันนั้นมันจะเกิดผลขึ้นมาอาตมาเคยสั่งสอนประชาชนมาใหลายหมืน่นหลายแสนคนแลว้วว่า อืนยมอมสิ้นห้าเอาไหมแล้วบางคนให้ผมไปดูก่อนครับผมจะพิจารณาพยายามต่อไปอีกคนหนึ่งผมไม่เอาแล้วครับผมทำไม่ได้สองคนนี้มีผลต่างกันไอคนที่ยอมรับผมจะไปพิจารณาดูก่อนครับไอคนนี้เปิดทางเจ้าของเปิดประตูเอาเจ้าของคนเดียวผมไม่เอาแล้วครับผมไปไม่ไหวแล้วไอคนนี้ปิดประตูเลยไม่มีวันที่จะเกิดจนแล้ว ไม่มีวันจะสร้างคุณงามความดีขึ้นไลยเพราะเขไม่รับรู้อะไรเลยอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไอฉะ น, นั้นการฟังธรรมะนั้นนะทุกแห่งธรรมะมันดีทุกแห่ ง, หงนั่นแหละทุกอย่างไม่ต้องมากไม่อะไรไม่ต้องปรเดี๋ยนอะไรมันมากนะโยมอันนี้มันติดเดลระละมันเสียเห็นว่าอันนี้มันถูกแล้วเป็นต้นเราก็ประพฤติปฏิบัติมันเสียอือย่างท่านตรัส ร, ธธรู้ประารปาปัจสะอกระนังกุสลสุขปัจสมปทาสักิตะปริโยตะปนัง การไม่กระทำบาปอะไรเลยทางปวงนั่นแหะดีเอตังพุทธศาสนางังอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้ากุศลสูปะสัมปาทาทําจิตใจของเราให้สบายสะดวกเป็นบุญเป็นกุศลเอตังพุทธศาสนางังอันนี้เป็นหัวใจ菩萨ฉนางซาจิตตะประโยชน์ปนังผลที่สุดนั่นกัใจเราก็สบาย กรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทําแล้วภายหลังคิดมาแดีวเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทําไปแล้วคิดขึ้นมาได้เมื่อไรเป็นต้นกรรมนั้นสบายสะดวกเดียกรรมนั้นดีให้เราคิดเช่นนี้เช่นั้นบาปบุญกุลโทษทั้งหลายนั้นให้มองดูทีตใจของเราเรื่องของคนอื่นนั้นตัดสินยากเรื่องของเรานี่ตัดสินได้เพราะเราเห็นเราอยู่ทุกวันทุกเวลา คารพีนาธรรมธรรมรับรู้ข้อประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วในรูปตัวของเจ้าของแล้วพระพุทธเจ้าเห็นบาปบุญกุลบุญเห็นผิดถูกขึ่นอยู่ในจิตใจของเจ้าของฉะนั้นสาธุจนเราทุกคนรีบต้องพยายามรวนที่สุดที่จะเห็นตัวเจ้าของจะพยายามด้วยของเราอย่าเข้าใจว่าเราไม่มีเวลาภาวนาเวลาเรามีภาวนาถ้าเรารักภาวนาเราต้องมีเวลา บางคนเข้าใจว่าผมไม่มีเวลาภาวนาไม่มีโอกาสอาตมาเดียถามามายอมยอมเคยทํางานไหมเคยทํางานมีโอกาสหายใจไหมมีครับทําไมจะมีโอกาสหายใจใครมีโอกาสหายใจคนนั่นก็มีโอกาสภาวนาเท่านั้นอันนี้เราคิดย้อนกลับมานะอย่าพึ่งเดือดไปไกลเลยฉะนั้นวันนี้ขอญาติโยมทางงหลายทุกคนจงเข้าอกเข้าใจในธรรมะ การพูดธรรมะไปมากๆการพูดธรรมะไปนานๆ ม, มันก็ไม่มีอะไรมากมายพูดสักคำหรือสองคำสามคำให้เราเข้าใจเชียจะทำยังไงอันนี้ดีกว่าฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นมันเกิดจากการเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เข้าใจถ้าหากว่าเรา ไปรู้อะไรไปเห็นอหนรแมันรู้ในใจมันลายในใจไปทำมันก็เป็นถ้าไม่มีอยู่ในใจแล้วเราทำไม่ได้เรกจะไปทำอะไรก็ไม่ ไ, มได้จะทำบ้านทำช่องมันมีอยู่ในใจเราแลวเราจรึงทำเป็นจะทำเรือทำแพมันมีในใจ เ, เรามันจึงเป็นไม่มีในใจเราทำไม่ได้เราทุกอย่างจะทำไปต้องมีในใจทุกอย่างจึงทำได้ให้เข้าใจอย่างนี้เด็กป้าเราเข้าใจในธรรมะพนที่สุดนี่ขอญาติโยมทุกๆคน ได้ฟังแล้วจังน้อมกลับไปเป็นโอปนาอยุกรธรรมนำธรรมะทั้งหลายแล้วนี้ไปวาไม่ที่จิตให้จิต ด, ดูจิตให้จิตเป็นคนเห็นให้จิตเป็นคนรู้ให้จิตเป็นคนระให้จิตเป็นคนวางสิ่งที่มาต้องการวันนี้ก็คือต้องการจิตใจญาติโ ย, ย, ยมไม่ต้องการอย่างอื่นมากมายอะไรมันก็พอๆ อ, อยู่แล้วนะต้องการจิตใจญาติโยมให้หันเหี่เข้ามาในทางธรรมะอืม องค์สมเด็จ์ประสมาสามพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะเป็นส่วนมากอืฉะนั้นผลกิจสุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติ ด, ดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวายจาประพฤติดีด้วยใจเป็นสุปฏิปนันโนอุชุปฏิปนันโนญายาปฏิปนันโนสามีกิปฏิปนันโนให้เอาคุณสมบัติทั้งสีประการนี้ของสาวก ขององค์สมบิตรัสมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาแนบไปในจิตของเจ้าของนั้นจะในไม่เสียทีเกิดมาพบประพุติศาสนาขอญอาติโยมทั้งหลายจงมีอายุวั น, นสุขภาระตลอดกาลนานเธอ